ทศษาการที่สองของหลวงพ่อสมเด็จทิเทศในวันมาค้าบูชานั้นไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายเพราะทุกคำพูดที่ท่านแสดงออกมานั้นมีความหมายแจ่มแจ้งอยู่แล้วพร้อมกับมีลีลาสำนวนโวหารไพเราะมากคนที่นั่งฟังอยู่ในวันนั้นทุกคนเกิดความเชื่อและความเลื่อมใสซึ่งมีอยู่ในที่นั้นประมาณ20สบคน การแสดงได้ทาที่ห้องฝึกสมาธิของบ้านไม้ที่โรงพิมพ์ตั้งอยู่ไม่ใช่ทาที่ตึกใหม่เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อตึกและทุกคนที่มาในวันนั้นล้วนแต่เป็นผู้ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นทุกคนจึงรู้ดีว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากจิตใจของคนทรงแน่นอนเพราะเป็นการพูดในลักษณะที่เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทไม่รู้สึกตัวแล้วละเมอออกมา ในเทศกันนี้มีคาบาลีอยู่หลายคำอันนี้ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าหลวงพ่อสมเด็จเทศจริงๆแต่อย่างไรก็ดีข้อความที่เป็นบาลีที่ผ่านปากคนทรงในวันนั้นมีอยู่คำเดียวที่ผิดจากหลักในพระไตรปิฎกคือคำว่าฮิริอตตปะสัมปันนาคือในตอนที่ท่านเทศนั้นท่านใช้คำว่าฮิริโอตปะสัมปันโน ให้สังเกตคำสุดท้ายที่ถูกต้องเป็นสัมปันนาแต่ท่านใช้สัมปันโนซึ่งก็อาจจะเผลอไปบ้างและข้าพเจ้าก็ได้กราบเรียนท่านและขออนุญาตแก้ไว้แล้วทั้งหมดมีคำนี้เพียงคำเดียวเท่านั้นที่ผิดและก็เป็นการผิดเพียงพยางเดียวนอกจากนั้นถูกทั้งหมดและลองนึกดูคนทรงไม่รู้ภาษาบาลีคำเหล่านี้จําไม่ได้เลย แต่แล้วก็สามารถพูดออกมาได้และแปลได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะสงสัยว่าไม่ใช่เทศนาของหลวงพ่อสมเด็จเทศกันที่1ท่านทเทศเมื่อพุทธศักราช2504เทศกันที่2เทศเมื่อพุทธศักราช2505โดยธรรมดาท่านเทศปีละครั้ง ซึ่งหมายถึงเป็นการเทศโดยวิธีการเข้าทรงส่วนการให้คําแนะนําหรือการตอบปัญหาโดยวิธีติดต่อทางสมาธินั้นข้าพเจ้าได้ทําอยู่เสมอเป็นประจำเกือบจะทุกวันก็ว่าได้เพราะวิธีนี้ได้ผลดีกว่าเนื่องจากได้เห็นรูปร่างของท่านด้วยได้ยินเสียงของท่านด้วยและในขณะที่เข้าสมาธิไปหาท่านนั้นก็มีสติสัมปชัญญะเหมือนกับเราอยู่ต่อหน้าท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ วิธีนี้ไม่ทําให้สุขภาพเสียส่วนการเข้าทรงคนที่เป็นคนทรงพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวคนทรงอยู่ในภาวะที่ถูกสะกดจิตเมื่อออกจากการเข้าทรงแล้วรู้สึกเพลียเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นจึงทําบ่อยครั้งไม่ได้ การติดต่อกับโอปปาติกะทั้งหลายโดยวิธีทางสมาธินั้นส่วนมากข้าพเจ้าก็ได้นำมาเขียนเป็นหนังสือลงในหนังสือวิญญาณบ้างเขียนเป็นเล่มออกมาบ้างถ้าหากข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อกับโอปปาติกะทั้งหลายได้ก็เป็นการแน่นอนว่างานอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยและจะดำเนินมาตราบเท่าทุกวันนี้ไม่ได้ด้วย ในครั้งใดที่ข้าพเจ้ามีปัญหาหรือคนอื่นมีปัญหาหรือในครั้งใดที่ข้าพเจ้าหมดกำลังใจเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำงานเพราะอุปสรรคมีมากเหลือเกินก็ได้อาศัยหลวงพ่อสมเด็จและองค์อื่นๆ อ, อ, อีกหลายองค์ช่วยตอบปัญหาให้ช่วยให้กาลังใจตลอดมาเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวและสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดทุกคนจึงเกิดความเชื่อมั่นเกิดความแน่ใจว่า เราได้ติดต่อกับหลวงพ่อสมเด็จได้จริงจริงอันที่จริงที่สำนักแห่งนี้ได้ติดต่อกับโอปปปาติกะมากมายหลายองค์และถ้าจะนับถึงพวกโอปปปาติกะชั้นธรรมดาที่ไม่มีความสำคัญอะไรซึ่งเปรียบเหมือนชาวบ้านธรรมดานั้นยิ่งนับไม่ถ้วนเหมือนกับเราพบผู้คนในที่ต่างๆไปที่ไหนก็พบอยู่บ้านก็พบ สำหรับโอปปาติกะประเภทเนี้ข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรส่วนโอปปาติกะที่ข้าพเจ้าติดต่ออยู่เสมอ ER นั้นส่วนมากเป็นโอปปาติกะชั้นเทพเจ้าคือโอปปาติกะที่ได้ฌานหรือไม่ก็เป็นโอปปาติกะชั้นปัญญาชนผู้ซึ่งเคยทําประโยชน์แก่โลกมามากท่านเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําตักเตือนชี้ช่องทางให้กําลังใจได้ดีมาก ซึ่งผลงานของการค้นคว้าในด้านนี้ข้าพเจ้าก็ได้ถ่ายทอดออกมาสู่ประชาชนเสมอดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่เสมอส่วนเทศนากันที่3ท่านได้แสดงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2507แสดงในวันอาสาฬหาบูชาสำหรับเทศนากันนี้มีข้อความที่จะต้องอธิบายหลายอย่าง ความจริงเทศนากันนี้ถ้านับตามลำดับแล้วเป็นเทศการที่สไม่ใช่การที่สเพราะการที่สนั้นท่านมาเทศเรื่องคถาชินนบัญชรแต่เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนเอาไว้แล้วพร้อมกับอธิบายไว้อย่างละเอียดโดยจัดทําเป็นหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคสองหนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์มานานแล้วซึ่งขณะนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องนํามาลงในหนังสือนี้อีก หนึขอให้สังเกตว่าเทศนาการแรกท่านพูดถึงเรื่องโอปปาติกะแต่กันที่สองพูดถึงเรื่องวันมาฆะบูชาส่วนกันที่สที่นํามาลงในฉบับนี้ท่านพูดถึงเรื่องโอปปาติกะอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดตามลําดับเรื่องเทศกันที่สนี้ก็ต้องเป็นการที่สองเพราะเป็นเรื่องที่ต่อกันมาจากการที่1และหลังจากนี้ไม่นาน ท่านก็เทศอีกกันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโอปปปาติกะคือแทนที่ท่านจะเทศปีละครั้งเหมือนคราวที่แล้วๆมาแต่สำหรับการที่4ซึ่งเป็นการเทศเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะต่อจากการที่3นั้นท่านแสดงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2 5งพคือห่างกันเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นและเป็นการเทศในเวลากลางคืนเวลา19นาิกานาทีเหมือนกัน และเพื่อต้องการจะให้ผู้อ่านได้ทราบข้อความติดต่อกันมาโดยลำดับฉะนั้นจึงได้นำเทศกันที่สี่นี้ลงในฉบับนี้เลยดังต่อไปนี้